คิดละาภาัยเวรขณะถูกเบียดเบียนจะค่อยๆห่างจากภัยเวรจนกลายเป็นผู้ไม่ประสบภัยเวรเห็นทันตาในชาตินี้เห็นเด่นชัดในชาติต่อไปโดนเหมือนไส้มีศัตรูง่ายทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรให้ใครเกิดจะกรกรรมเก่าแบบไหนหากอยู่ในช่วงเวลาโดนรุมงเกลียด แบบหาความสมเหตุสมผลไม่ได้ให้สันนิษฐานว่าครั้งหนึ่งเราอาจเคยมีอำนาจในการเบียดเบียนคนบางกลุ่มจึงต้องเจอคนบางกลุ่มเป็นเครื่องลงโทษสาสมกันต้องมาเป็นศัตรูอยู่ในบ้านเดียวกันหนีไปไหนไม่รอดหรืออยู่ในที่ทำ ง, งานเดียวกันโดนแรงกระทบกระแทกประการต่างๆทั้งจากการแดกดันจากการกลั่นแกล้งในหน้าที่ หรือจากการปล่อยให้ติดขั้นเดิมไม่ไปไหนโดยใจความสรุปพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าไม่ละภัยเวรห้าประการย่อมเป็นผู้ทูศีลในโลกนี้ย่อมเป็นผู้เข้าถึงนรกในโลกหน้าภัยเวรทั้งหได้แก่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จและดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ผู้มีละภัยเวรทั้งห้าย่อมประสบภัยเวรทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมภารยาภพย่อมสวยทุกโทมนัดอย่างใดอย่างหนึ่งแม้ทางจิตพูดง่ายๆบาปที่ทำให้โดนรุมประชาทานด้วยความเกลียดก็คือการเคยเป็นผู้มีใจแมละอายในการก่อบาปสร้างการเบียดเบียนได้ทุกชนิดเมื่อถึงเวลาที่บาปจะเลดผลก็โดนเบียดเบียนรอบชิดได้ ต่อให้ช่วงนั้นนิสัยดีแค่ไหนก็ไม่แน่ว่าจะพ้นศัตรูเพราะบาปเก่าจะเวียงไปอยู่กับกลุ่มคนแบบหนึง่งที่รู้สึกว่าหน้าตาหรือชื่อแ่ของคุณรบกวนจิตใจพวกเขามากอย่างที่ภาษาวัยรุ่นเรียกกันว่าแค่เจอก็ทนไม่ไหวรู้สึกว่าหน้าตากวนตีนละเกินขอเป็นคนไม่ชอบหน้ากันหน่อยเถอะเมื่อคิดละภัยเวนแม้ยังโดนเบียดเบียนอยู่ในที่สุด ก็จะค่อยๆห่างจากภัยเวรและกลายเป็นผู้ไม่ประสบภัยเวรแบบเห็นทันตาในชาตินี้และจะได้เห็นเด่นชัดในชาติต่อไปเมื่อคู่เวรปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าในชีวิตนี้ให้บอกตัวเองว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนี่คืออีกชาติหนึ่งที่ได้เจอกันเป็นโอกาสแห่งกรรมใหม่ให้ตัดสินใจปฏิบัติต่อกันแบบต่อเวรอีก หรือตัดเวนทิ้งเสี้ี